เหมนกันอย่นีน้จะมีน้อยเต็มที่แต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนาธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความาถูกต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงธรรมพระอองค์มีความสงบสุข อย่างเต็มภูมิมาแล้วที่นประกาศสอนทังทั้งเหตุที่ทรงดําเนินเพื่อความเป็นสุขหรือสงบสุขนันว่าทรงดําเนินมาอย่างไรทั้งผลที่ทรงได้รับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้นาเป็นสิ่งที่พื้นปรารถนาของสัตว์โลกมากมายเกียงไร พระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งไ ป, ไป เ, งเหฝ่ายผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้จิตได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ตรงดำเนินมาแล้ว ก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเป็นจบบกีทั้งห้านี่คือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังสนับธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะจะกลับปลัวธนะจุให้เป็นจะบบกีสั่งและแสดงคนัตตลักษณะสุขให้ฟังปิดคล้อยตาม หลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความหมายแห่งธรรมเป็นขั้น ข, ของธรรมเป็นขั้นข้นไปถึงเดชถึงขั้นอาราหัตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สง บ, บอย่างเต็มพูนจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนา ด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้นำของาาัาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสน า, าจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวาขงาไปโดยลำดับ วิิยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมือ่อได้ทราบของจริง่งเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้องยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลาดับไปพราฝนว่าพุทธศาสนามีความฟังฝังมากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนู่ 4.5 พระพรรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวางประชาชนได้รับความสงบสุขมากมายนี่าศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสันติธรรมผู้นําประกาศนําธรรมออกประกาศสอนโลกก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสันติธรรม คือพระพุทธเจ้าทมก็สั่งสอนโลกเพื่อความสันติมีความสงบเย็นโรคถ้ากำเริกย่อมทำให้คนไข้ท่าสำละสายโควนกระวายในอียาบททั้งสี่ไม่ทราบจะยักยัางอยู่ในอียาบทใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบา เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจ น, นไม่มีที่จะตรงวางเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พัก เมือม่อเมื่อกินได้พักสบายบ้างเมื่อได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอํนนานาจแห่งยา โรคของจิตแห่งสัต์โรคก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรครื้อรางเคยฝังมาถ้าเป็นนาาแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจใิตใจศัพ์โรคให้ เยนว่าตายเกิดในวันตกสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไหนเช่นเดียวกับตามรอยโคในคอกไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโคในคอกมันไปอย่างไรมาเพราะเหยียบย่าแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากที่เดิ ตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแล้วมาทําจิตใจของสัตว์โลกให้วุ่นวายในเมื่อตั้งพบตั้งชาติขึ้นมาแล้วเพร้อมหน้าที่เลสประเภทหนึ่งส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ขอควรวุ่นวายอยู่เสมอจึงทําให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเกิ ด, ด้อนวุ่นวายหาความสงบ เย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่ะกวดกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคห้ายชนิดมากภ า, ายในจิตใจของคนแต่และคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนมีสองสามโรคแต่ภ า, ายในจิตใจของสามโลคนี้มีโรคห้ายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ที่ตั้งหลักตั้งฐาน หเห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหาสามสี่ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นฐานที่อยู่ครับจนกั่ มีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั่นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่วิธีไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงในข้อตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลา นักผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉล า, าดรู้หาโอสดอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้จึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสักงสอนพยายาม ดำเนินตะเกียบตะการไปตามข้ากำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ทำทั้งหลายแล้วจึงนิยำทำนี้ออกมาสั่งสอนโลกในควางขวางออกไปโดยลําดับลำดาบผู้ทประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเทจา้าเลืองับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวง เมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เกิดตายและสั่งสมของทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลลงมักหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั่นเกิดสถานที่นี้วกเย็ยนไปมาจนหาต้นหาปลายในด่านนั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างลบล้างตัวสำคัญคือคิเหตุอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เกิดตายได้ภายในจิตใจ และโอสถอันนี้รอระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝากเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกแปละว่าผู้สดับจับฟังจะ ก, ก, ก่อนก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิมุตพรนิพพานต้ออาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้น ไม่จากพระโอษของพระพุธทธเจ้าโดยทรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลําดับลาดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาโดยลําดับเช่นนี้เนี่ยทำนี้เครื่องโอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงบับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึง เ, เป็นสิ่งที่หาได้ยาก และยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มทุกเมื่อใจได้รับการเดี๋ยวแหละด้วยอักธรรมประพฤติปฏิบตัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนิน ดโดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือแบบความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใ จ, จมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจ ย, ย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่คอบยังมีขอบขตไม่ผ่านผลโนดเต่นแค่ จ, จนโดยเหตุในผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้ เห็นไหมเขาออกทางคือผิดแผลจะไม่เว้นแต่ละฉบะับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โรคที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่าย mm hmm. เหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ภาณใเตาแล้วโยนปืนเข้าไปมันก็ติด mm hmm. เดี๋ยวมีมากมากอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเลลวลากำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมามวิชาธรรมก็เรียนมาแล้วสุดท้ายก็เวลานี้ก็มีมักจะเป็นวิชาสัตว์ใชาไหถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปุ่งศปปะ เท็จแปลงเปลี่ยนแปลงพูดตออกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสดงหูแสดงตามนุษย์มนุษย์ทําไมจะไม่ทราบแสดงใจมนุษย์มนุษย์ทําไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยากโลนของผู้มีกิดเลสอันหนานแน่นหรืออันหยาบซามนั้นขี้เกียขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทําโลกให้เสียหายไปตามๆกัน เป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิละปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชเช่นอะไรบ้างนี่เราเห็นไม่วัวนี้เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจได้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิงตัดฆ่าทั้งมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือ มันต้องลม้มพืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะเอ็งเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่เสื่อไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้มาเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างพอดอดพอทนถ้าใจ หาหลักมาได้ได้ล้มเหลวเหมือนกับรากแก้วที่ถูกถอนทพวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ตัวนั้นก็มีแต่ตายธานุเอจิตใจท่านลงได้สิ่งเหล่านี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจัดแหลกลานไปต่านั้นเองนี่เพราะเหตุไหไเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้น มีตั้งแต่กี่เลสทันหาอาสวะหลักตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ้มลุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปรระ้าวกันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้มีแต่เอาเรื่องนี่มาโปะกันเข้าโปะกันเข้าแล้วมันจะทนก็ได้ไหนัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้ เพราะมันเป็นยาคิดอยู่นี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในอยของผู้ปฏิบัตินีโ่โลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูเอาที่ภายในจิต ท, ท, ที่คิดออกไปในแง่ใดหรือเป็นไปเพื่อความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทางจิตยาอาการ ภายนอกก็ตามแต่เพิ่งทราบวันนั้นกําลังโคนรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ถงตงใจนี่พยายามระ ม, มัดระวังความคิดเป็นสิ่งสําคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้าําค่าเส่นด้วยถ้าให้ใช้สติปัญญาระ ม, มัดระวังพินิษ์พิจารณาจริงแล้วเราจะไม่ได้ครองจิตคี่ว่าเป็นสมบัติอันน้า น้ำค่านี้ด้วยอัดด้วยทำเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศทิบหายร้ายกาศที่สุดเร็วที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทำลายของจากกิเลสทั้งหลายขอให้พากันพิจารณาให้ดีความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสเสวง ต้องรักต้องสมน์เช่นเดียวกับความไม่สงบเป็นภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ําหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นขุนความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นขุนระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักทำหลักวินัยด้วยแนวตั้งแต่สอนอุบายวิธี เพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบหลีกติดตัวจากสิ่งชั่วช้าหลามอกทั้งหลาด้วยพระปัญญาาสามารถของพระองค์เองพระพุทองค์เคยได้รบราฆ่าฟันกับยิ่เล็มาแล้วอย่างโชคโชคุกไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้แต่พูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความ เพราะการประกอบความเปียนเพื่อห้ามหันกิเลสทั้งหลายให้พินาศไปจากพาะไทยก็ยล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งพระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมที่เป็นคาดศึก หรือเป็นเครื่องปราบตามกิเลสทั้งหลายนะั้นยังได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราท่านทรงสอนไว้ในแง่ในมุมใดขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอิเดียบทต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดีสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลาย และสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดวิเลตออกจากจิตใจจนไม่มีเหลือภายในใจใจกลายเป็นสันติอย่างเต็มภูมิขึ้นมาด้วยความภักเย็นตนเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดามาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับ ลมโชยไม้พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสนเสริอมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิตีเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจไข่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำละแก้ไข ัดแปงตัวเอนด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูิที่จะต้องกาจัดกิเลสเพื่ อ, อเพื่อทมทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบภาพ้นไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียว ทัติไม่ลดละในอียาบทต่างๆลองเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมยาได้อ่อนแ อ, ท, อท้อถอยทากิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทาคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้ว ทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีสแสดงไปจากเรานี่ว่าไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเน็ตเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเรียวกว่าเป็น เหมือนก็นว่าเศษพระเพื่อนที่อยู่ทางนั้นด้วยเหตุนี้จึงสําคัญที่ว่าทําอะไรก็ตามให้ถือคําว่าเราไว้เสมอเป็นหลหักใจทําอะไรก็เราเป็นผู้ทําและทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อเราเมื่อเมื่อทําเพื่อเราแล้วสิ่งใดใดก็พราะเพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญา ตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด the ้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากอย่างนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายใใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดตัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจิงเอาจาก มีเหตุมีผลมีสติสตง่งปัญญาไข่ควรจนทะลุปุโปร่งไปได้เพื่อคําว่าเราทำคือเพื่อเราเนี่ยหลักนิสัยเป็นสิ่งสําคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหลอกแหล่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่ค่าเศษพระเดนอย่านําเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่ม กับความอ่อนแอก็แท้หนีเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกาจัดสนนิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำหรับตำราเกื่อนไปหมดอธิมายว่าเชียนจึงเป็นคุ้งเป็นแผ่สมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นเรามา ปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี่สมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจใจไม่มีสมาธิทําอะไรก็ไม่กินไม่จังอันเป็นป่าเหตุทนที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้ เมื่อมีความสนใจไข่ต่อสมาธิจริงๆแล้วทําให้เหตุถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคําว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อได้อ่านแต่ําหนัหกํานาก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองไมาอยู่ที่ไหนแล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกประจากใจดวงที่กําลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่อยู่แล้วแก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ ด้วยตปะปาธรรมไฟดับไฟตะปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสมัน เ, เป็นเป็นสิ่งที่ทําจิตใจให้ร้อนตปะธรรมก็คือความแผดเผากิ เ, เลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าศึกกันเง้อก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาเรามตปะปะความแผดเผากิเลสเมื่องหน้าทางความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอย เอาจกนกระทั่งกิเลสมันรากไปนะอดทนขันติท่านว่านะฟังิขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานทั้งตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วทนต่อสู้กิเลสกิตะมีความรักคข่ยฝ่ยใจในความเพียรอยู่เสมอ มีมังสาความให้รวนเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้สมบัติ น, นี่นี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเอง จะเป็นเจ้าของของวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของอย่างมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในใจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ่มหอนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ เพราะถูกสิงเหล่านี้ครอบงามไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบจิตธรรมะพิเดชออกหมดเพราะน้นักของปัญญาที่ฐานสมัยแล้วจิต ก, ก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิต ด, ดำไปเสียจิตโง่เขลาบอปัญญาเลยกลายเป็นจิตต่ำทรามไปเสียบางทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำทรามนะไม่ได้ต่ไม่ได้เลวจริงที่เลวนั่นแหละกาไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปหนา้าเมื่อช้ำละออกด้วยความภาคเพียนของตนเนี่ยสิ่ง น, น, นี้ก็ค่อย อางหายไปหายไปหายไปมีความสว่ากระจ่างจแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนานว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานมีมุดหลุดพ้นท่านเขียนว่านั้นมีแต่ชื่อในคำภีตำนาตนา่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงแล้วก็คือ อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหุดพ้นที่จิตไม่พ้นจ า, จากจิตได้มันจึงเป็นจุดรวมรวมทั้งกิเลสทุกประเภทหนเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อแก้ไขได้วถอดถอนได้ ด้วยมาของกออเกิดไม่อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาชาตินานขนาดไหนไม่มีไม่มีอยู่กับสถานที่นู่นที่นี่ไม่มีมีอยู่กับใจนีจึงต้องให้จอสติลงไปที่ใจความเพียนลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ขึ้นหวังเอาให้จริงให้จับ พยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปัติพัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทํางานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จําเพาะเจาะจงในจุนใจจุนหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอรวิวาส่วนใดส่วนมีความรู้สึกตัวประจําอยู่ท่านเรียกว่าสัมปัติพัญญะ เมื่อเจาะเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติทึงเมื่อสติมีความทำเนี่ยทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปัตย์ปัน ญ, ญาอกทินแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานนั่นนั้นไปจากไ ห, ก น, หกนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายฝนฝึกจนเปลี่ยนกาแล้ว ทำน้ทำนานคล่องแทงแกดกาสา ม, มารถปราการพิเดได้ทุกประเภทในว่าพิเดประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี่ไปไม่ได้นม่ดุเียบหมัรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพพระเจ้านั่นเป็นเดถผีตรงนี้นั่นเป็นแง่หรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐ า, านเป็นบ้านพากันเข้าใจไว้ เรื่องยงนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหนักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิต ด, ดูภายในจะ ก, กาหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะ ก, กาหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึ ด, ด คำบริกรรมหมดนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองยิดจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคาว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสันนางร่างกายแต่เราจับ ตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ไดับนี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปรากคือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญแม้พระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออาปาตาทิที่ทรงเรื่องได้ตั้งแต่ สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปเล่นนาขวัญท่านทรงนั่งสำมสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบโ่มเย็นเานี่ยระยะนั้นจึงได้ย้อนท่าจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่เจอจักสรู้ธรรมโดยถืออนาปาลัตติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึด พอใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเยอก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยที่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม้เท้าเป็นที่ยึดเนี่ยหิดเมื่อยยังอ่อนปวกเปียกหาเหตุทับผลอะไรหาหลักอัเสร็จไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้น เป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไวตอนนี้เช่นทาบริกรรมเราจะบริกรรมทาใดเช่นพุโทโธวิตาโจเจส า, า, า, า, าโลมานาขานสาธโจบทใดก็ตามหรือพุโทโธธโมสังโฆตามแต่จะรีตชอบหรือกกำหนดอนาปานัสติกำหนดลมหายใจข่อถ้ากำหนดยงลมหายใจเขาออ ก, ม, ออกมันไม่สนิทใจนะักจะ กำหดเพุทเข้าโทออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างหนันเพราะมันเป็นการเพิ่มภา ร, ระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทํา ง, งานยังไม่สามารถที่จะรับภาร ะ, ระมากมายฟว้งขวงได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสแยบก็ให้พุทลมสัมผัสแยบเข้าหรืยบออกให้พุทโทพุทโทเข้าพุทเข้าโทออกก็ได้ หรือสัมผัสแยบคุ้นสัมผัสแยบโคก็ได้ถ้าเราจะไปคํานวณคานึงถึงเรื่องลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็น ก, cafe, กังวลอีกันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทํามาแล้วนี่คือมันมันจะยึดเอ า, าเฉพาะลมที่สัมผัสยับแยบเข้าออกเลยไม่กําหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอั น, นของสิตที่ทําให้ยืดเยืเอ้อออกไปนุ่นยืดยาวไปนุ่นไปนูน่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันจะเป็นภาระอันหนึ่ง คอยเจ้าอยู่แต่ประตูนะเห็นคนเอาคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็สาจยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่เพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมงูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กําหนดเงื่อนไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง อันนี้ไปสำคัญมันหมายไม่ได้จะเกิดความค่าความหมายไปต่างๆเลยลืมองคมภาวนาจิตเลยหาหลักเก็นไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกตรงนั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยบไปว่าผลจะไปยังไงอย่าแยบไปว่า ลมนี้เข้าไปถึงไหนออกไปถึงไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาได้เราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้วรวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นี่ชาญไปในทิ่งต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบุตรไดบุตรเช่นอ น, นาปานะครับลมหายใจก็เป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นตรงนั้น แล้วท่านต่อไปแล้วลมห า, ายใจนี้จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิโตกวิจารณกับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานแต่แล้วนะ่งงานในวงปัจจุบันก็คือกําหนดรู้ลมที่แยบเข้าแยบออกแยบเข้าแยบออกแยบที่ตรงไหนให้กาหนดอยูนั้นจุดเดียวเท่านั้น เพื่อเอาคําแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทําอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทํำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยกทั่งที่เรารู้ทุกระยะระยะระยะงไปลมละเอียดลงไปเลยหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลย หายเงียบไปเลยไม่มีเลยแต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิปิจพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขนาดนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตเท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเึ่นกาหนดพุทโธธรทมโมทังกก้งครัวเคสาลมานะขาตัตฑะสชอันไรก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิต ให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งของนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนําสิ่ ง, งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งของนั้นเราไม่เอาสิ่งของนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเยเือแต่จําเป็นจะต้องเอาเยือเส็จต้ยเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเขต้องเอาเยือล่อพอปลาติดเบ็ดแล้วเยือก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกัน คำบริกรรมได้ก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคำบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นเนี่ยพะายามก็ไปพยายามก็ไปคําพื่อเพืว่าพุทโธพุทโธพุทโธกับคำว่าพุโทพโธกับคํารู้กลมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพูดโธหาอะไร <S <S เหมือนเราตามโธที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนนะหากเราจะไปดักดูที่น่นไปดักดูที่นี่ว่ า, โ ค, าโคจะไปที่นั่นโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจ ล้วปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาเข้าข้อแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยทั้งต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจงกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองถ้าถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอยีกแล้วนักอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุท ธ, ธพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้ว ทำบริกรรมทั้งหลายขึ้นเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสําคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะพอนาอยาไปคิดค่าขึ้นหมายว่าคนนั้นพอนานได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้<ม>ก็อย่าเอามาคิดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่น สามความสามะาพันจันทร์มากยานํา ม, มายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะชี้สําหรับเราเกี่ยวข้อเสิมใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องหักข้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่กใจในขณะภาวนาญาติาส่วนใจหลักที่เราต้องการก็คือเบื้องต้นได้แก่ความสงบของใจหนึ่งยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไ ม, สม่สงบ ตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ทีนี้พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักใตาใจนิดอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากําหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนื่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวาเขาจัดทํากันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้ประทับํารุงทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าตูปเจจตยาทานเฉพาะอย่างเว่าว่าต่อมน้ตาลมันล้นเหลือเหลือเกินมันช่วงปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระนี่จนทํางอกไม่ได้น้ำส้มน้ําหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ําอ้อยน้ําตาลเอาน้าแดงน้ําริกท่วมตลอดเวลาทําเลยงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องยุตกปิจาร์กเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีทําเรามีหน้าที่อันเดียรคือภาวนา ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยน์ได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วพระสาวกอรหันหันว่าพุทธังสังสังขังเจนังกฉามเป็นสลังาของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายหนอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆภาพเป็น อนั้นภาพเป็นอย่าง น, นี้หากกริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้กวามเห็นจริ ง, งนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยงบราณโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเรา ภาพมาออกกินนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นยินหรือไม่กินก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ถ้าเจนให้เห็นเลยค่ะแล้วถ้อยถามสุว่าจาังแล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบตัติต่อ น, นิมิตหรือต่อ น, นิสยัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งเหนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสําคัญมันหมายซึ่งส่วนมากมีแต่ ม, มโนภาพมโนหลอกมันหลอ ก, มลอกไม่ใช่ความจริง ถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปซะก่อนโดยไม่ต้องไปฆ่าไปหมายเลยแต่นั้นต้อรู้วิธีปฏิบัติแล้วทํานิชํานานเช่นเดียวกับมีความทำนิชทำนานในสมาธิในปัญญาการบําเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการทํานานภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน mm. เหมือนตาเรานี่ mm. เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นนี่ mm. โกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดมาตั้งแต่นี น, mm. นั่นคือต้นเสา นั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแผละๆเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันนี่จิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกลสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจ อั น, นั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละลายลายซึ่งมีจำนวนน้อยมากในสมัยปัจจุบันนีน้เราอยากจะพูดว่าร้อยลายจะเอาสักห้าลาก็ทั้งอยากส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปมีสำคัญมากกว่าแล้วเราไม่ค่อยจะรอดแหลงต่อนตลาดจงทําความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมา น, นี้ จะให้จิตทะเลสาไหลออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลือดไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วารากิจที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจผู้หนึ <c> ่ง <oughs> ใจมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่ารู้สิ่งใดวิเศษยิ่งกว่าการรู้จีกของตัวเองทำให้ส ง, งบเอาตรงนี้ <c oughs> อย่าไปคิดคาคิดหมายได้ยินเสมออ่านี้เราไม่อยากฟังที่เกลียดฟังเสียไม่น้ำในหลาบางทีเอาเรื่องของอื่นมาเล่าด้วยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเรื่องของเขา คนนัทวิบเอามายุ่งทําไมเรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าพิมมาสิเราไปพูดตัดตํานวนอย่างนี้เลยเรื่อยกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราหรืมาพิกษาแต่ถามพอ่อเขาทำอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงั้าว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยวโยงคนอื่นก็มาบอกมาเรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเราพูดอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเดยดีาไวลร่ำเลา จําเป็นต้องปฏิบัติใช้ใครยิ่งกว่าการมิใัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเปลี่ยนผู้ดูตนเองแต่แท้ <c oughs> การดูตัวนั่นแหละเป็นของสําพันการดูใจเป็นสิ่งสําพันยิ่งดูเอาไม่เห็นไม่ริงทําไมจะไม่เห็นไม่กินทำไม่ใช่เป็นโมฆะทมสอนว่าอย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทําความพากเปี่ยน ไม่สามารถที่รู้ในความจริงข้างหลัที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลิพานชิ้นเฉียดชิ้นสมัยอะไรอะไ ร, ะไรสารองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาข้าตาต่งางพูดต่างไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าผู้ล้วอยากไปยืดมไม้เสียเวลาเวลาและทำลายจิตใจตัวเราทั้ทงๆ ท, ที่เรมุ่งต่อมาผาลิพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเรานี่ เราเปลี่ยนถึงท่านเสมอว่าพุทธทงางจะนังกระฉาม่แล้วมัได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ